วันนี้เป็นวันที่หกธันวาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานเป็นวันที่ห้าเป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทยเพราะประเทศชาติกำหนดวันที่ห้าเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันประสูตดและเป็นวันที่เข้าใจง่ายก็คือเป็นวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นพ่อของชาติเพราะนั้นวันเมื่อวานวัดต่างๆในพระพุทธศาสนาวัดต่างๆหรือสำนักงานต่างๆทั่วประเทศ พ, พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งน้าจิตน้ำใจแสดงความออกเรื่องความกระตันยูกตะเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณต่อพ่อนะ ก็รู้สึกว่าอบอุ่นล้นหลามเมื่อวานนี้นะแล้วก็วันนี้เลยมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานน่ยถือว่าเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา่ในทางประเทศชาติทางพุทธศาสนาด้วยเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธศาสนาที่อยู่ยง คงมาได้คู่เคียงกับเมืองไทยก็เพราะเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพวกเราดูที่ว่าอย่างประเทศอินเดียต้นพระพุทธศาสนาเกิดที่นั่นแต่ทำไมพระพุทธศาสนาจึงไม่อยู่คู่กับอินเดียจึงออกมาอยู่ที่ไทยพม่า เหม็นลาวแถบนี้แปลว่าถ้าจะว่าไปแล้วหลังพิงฝาทีเดียวไม่มีที่จะไปอีกแล้วทำไมพวกถ้าพวกเราได้อ่านดูประวัติศาสตร์พวกเราจะรู้ได้ถ้าไม่อ่านประวัติศาสตร์จะไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรจากโน้นมาถึงที่นี่เพราะนั้นให้พวกเราทุกทุก แต่ถึงยังไงก็ตามในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าศาสนาของตถาคตจะอยู่นานจะเสื่อมหรือจ ะ, จ, ะ จ, ะจะเจริญก็เพราะพุทธบริษัทสีนี่แหละพุทธบริษัทสีนี่แหละจะเป็นผู้ทําลายศาสนาของเราตถาคตพุทธบริษัทสีนี่แหละจะเป็นผู้ส่งเสริม ประยงศาสนาของเราตถาคตให้เจริญรุ่งเรืองพุทธบริษัทสี่คือใครอุบาสกผู้ชายอุบาสิกาผู้หญิงภิกษุสัมมาเนนี่แหละผู้ที่ถ้าหาว่าพวกเราดำงรงรงศาสนารู้รู้คุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้คุณค่า คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาก็อยู่คู่กับพวกเรานานเท่านานแต่เมื่อเราไม่เห็นคุณค่าเมื่อไหร่ถือว่าศาสนาเป็นเครื่องกรีดขวางกั้นกลางการประกอบความชั่วของตอนเองเมื่อนั้นแหละศาสนาก็ค้องหมดจากพวกเราเป็นอันดับแรก จากนั้นก็หมดไปทีละคนสองคนก็หมดจากประเทศชาติบ้านเมืองหมดจากโลกไปโดยปริยายเพราะอลไยเพราะกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะของมนุษย์ชาติ เ, าเข้ามามีบทบาทาในตัวของเราแต่ถ้าว่าพวกเร า, เามีแต่มองเห็นว่าการอยู่ด้วยกันเขาเรา เราไปทำให้กับเขาเขาเดือดร้อนเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนในสิ่งที่มันชั่วเสียหายอย่างคิดฆ่ากันอย่างนี้เมื่อเราไปคิดฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ใหญ่เมื่อเขามาคิดฆ่าเราเราก็เดือดร้อนเออพราะเหตุอะไรเพราะว่า เ, เราเขามาฆ่าพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายของเราเราก็ทุกข์ใหญ่ ในเมื่อเราไปทำให้กับเข า, าเขาก็มีหมู่มีเพื่อนมีพ่อแม่วงศาคณาญาติเหมือนกันเขาก็ต้องทุกข์ใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในเมื่อทำให้กับเขาเขาก็ทุกข์ใจไม่สบายใจในการกระทำของเราถึงจะกระทำในที่ลับก็ตามในที่แจ้งก็ตามถึงเขาไม่รู้แต่เราไปทำให้กับเขาสิ่งนั้นที่เราไปไปทำให้กับเขาเขาเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์ใจในการกระทาของเรา แต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนกระทำแต่เราก็ทำเป็นผู้กระทำในเรารู้ว่าเราจะทำให้กับเขาแต่ถึงยังไงก็ตามเขาจะรู้ที่ไปที่มาขนาดไหนแต่ผลมันออกม า, เ, าเขาก็ทุกข์ใจของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้ที่ไปที่มาแต่ญาติพี่น้องของเราถูกฆ่าตายอย่างนี้น เ, เราก็ทุกข์ใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่า การเปลี่ยนเปลี่ยนการการฆ่ากันไม่เป็นผลดีจึงมีศินข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันสรุปแล้วก็คือสินของพระพุทธเจ้าเออบางคนที่ญาติโยมมาถามหลวงพ่อเมื่อวานบอกว่าศินของพระพุทธเจ้านี่อยู่ไกลคล้ายๆกับว่าปฏิบัติได้ยากหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่นะเราจะไปมองข้ามอย่างนั้นศินของพระพุทธเจ้า กฎระเบียบของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายเขาเราเขาเราในเมื่อคิดไปฆ่าเขาเขามาคิดฆ่าเราในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราในเมื่อเราไม่เคารพสิทธิสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาเขาไม่เคารพเสิทธิสามีภรรยาลูกหลานของเราเราไปโกงหกเขาเขามาโกงเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ไกลเลยเขาเราเขาเราเราสองคน ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่เป็นไรไม่มีเ ข, า, ขาเขาอยู่คนเดียวไม่เป็นไรไเพราะไม่มีเราไทยเมื่ออยู่สองคนแล้วเขาเราเนะต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน น, นี่แหละคือศีลของพระพุทธเจ้านี่แหละคือศีลถ้าเราพวกเราไม่ปฏิบัติตามศีลและธรรมแล้วโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนเพราะเหอะไรเพราะมนุษย์ขาดศีลศีลธรรม เพราะนั้นศีลศีลคุ้มครองโลกคือศีลของพระพุทธเจ้าคือศีลห้ายุกใดสมัยใดก็ตามถ้าขาดศีลห้าและยกโลกยกนั้นเดือดร้อนวุ่นวาย อ, อย่างที่หลวงพ่อได้เ อ, เอาชาดกหรือเอาเรื่องราวในหลักของพุทธศาสนามายกสาธทกให้พวกเราลูกหลานได้ฟังอย่างนางจินจามนาวิกเนี่ย ทำไมจึงพูกอาขาดอาคาตกับพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ภพกี่ชาติในชาติหนึ่งนางจินจามานิวิกอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้ากรุงพหานรศีพระเจ้าพรมทัตแม่ของปทุมปฐุมกุ ม, มารเป็นเมียใหญ่นางจินเจ้า มนวิกาเนี่ยเป็นเมียน้อยของพระเจ้าแผ่นดิน เ, นเป็นขคามาเหสีคนเล็กแต่ตอนนี้ลูกเมียใหญ่ก็เป็นหนุ่มขึ้นมารูปตางล่ากรูปร่างหน้าตาเสร็จสวยงดงามสะอาดสะองแต่เมียน้อยเนี่ยเป็นรักไปชอบกับลูกชายลูกชายเมียใหญ่แต่นี่ก่อนนั้นนหะ คล้าว่าจะเอามาเป็นผัวนอกจากพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินนอกจากพระบิดาแต่ลูกชายปฐุมกุ ม, มาร เ, เป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเอจะเอาเมียพ่อม า, มาเป็นเมียตัวเองได้อย่างไรตอนนี้ก็ไม่เอาเอาปฏิเสธหัวเด็ดตีนขาดนางคนนี้ก็ไม่พอใจนี่แหละผูกอาคาดขึ้นมาแล้วตอนนี้ พระตัวเองจะทําความชั่วพอจะทําความชั่วคนอื่นเขาไม่ขาไม่ร่วมด้วยตัวเองก็ไม่พอใจขัดขวางผลในสูก็แสดงตัวว่าเป็นไข้พระสวามีก็มาถามเป็นไงว่าเป็นไข้ทำไมทาไมไม่สบายเรื่องอะไรนี่แหละลูกชายเนี่ที่ทั้งที่ฉันหนูไม่ต้องการ แต่เขามาข่มขืนน้ำใจพระเจ้าแผ่นดินขาดการยั้งคิดเาขาดการยังคิดไม่ได้ถามไถว่ามันเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนีน่ะผู้ใหญ่ไม่ได้คิดก็ไม่ดีเหมือนกันนะพอได้ยินข้างเดียวเนหนันหูเอียง เ, ยเอพอหูเอียงเท่านั้นแหละสั่งเพชะฆาตจัดจัดการเลยเจับลูกชาย ไม่ถามไถยว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรผลิี่สุดก็ไปโยนลงน้บลงโยนลงในเหวนะแต่บุญบารมีของปทุมกุ ม, มารพญานาคเทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยพยุงเอาไว้เพราะท่านไม่ได้ทำความชั่วนะจากนั้นนาคเขาเลยไปอยู่เมืองนาคไปอยู่ในเมืองนาคไปอีกมิติหนึ่ง จากนั้นพออยู่ในนานท่านตั้งตัวได้แต่เออทําไมโลกเนี่มาทําไมวุ่นวายนักข้าไปเจ้าขอบวชในแดนมนุษย์ท่านก็เลยขึ้นมาบวชที่ป่าหิมะผานพอมาบวชที่ป่าหิมะผานรักษาศีลภาวนาอยู่ตามลําพังค่ะวัดหนีจากโลกกไปเอาละโลกเนี่ยท่านก็ไปภาวนาอยู่ตามลําพังมีพราน ในกรุงพาราณสีก็เดินป่าดงเข้าไปไปพบลือศีไปพบลือศีก็ถามลือศีท่านมาจากไหนหน้าต า, ารู้สึกว่าเป็นนุมอหล่ออีกต่างหากลือศีก็บอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแป่นดินพ ม, มทัตที่พระบิดาลงโทษข้าพรเจ้าโยนลงหน้าผาแต่ข้าพรเจ้าไม่ตายาด้วยบุญกุศลคุ้มครองข้าพรเจ้าก็ไปอยู่นั่นแ่ะ อยู่กับอีกเมืองหนึ่งเขาเลยส่งเข้ามาข้าไปเจ้าเลยบวชข้าไปเจ้าเบื่อโลกเต็มทนข้าไปเจ้าจะรักษาศีลภาวนาอยู่ในป่าดงพงไพ่ตามลําพังนี่แหละแต่นี้พรานเขาได้ยินเรื่องเราทุกอย่างเขาก็เลยมากราบทูลพระเจ้าพรมทัตพระเจ้าพรมทัตทราบข่าวทั้งนั้ น, นอยู่ที่ไหนก็ได้ยกขบวนเข้าไปเพื่อจะไปข อ, ขอร้องลูกชายให้มาสวยราช สสมบัติแทนตนเองพราะเป็นลูกชายที่มีศักยภาพที่เดียวเป็นคนที่มีคุณธรรมที่เดียวพ่อไปกราบพระลูกหรือสีลูกชายก็เลยบอกโอ้ผมเองเกิดมาในคราวนี้ครั้งนี้รู้สึกกระเทือนใจอย่างมากถ้าหากว่าไม่มีอะไรคุ้มครองผมก็คงจะตายในหน้าเหวหน้าผาเพราะนั้นเอาเถอะพระบิดา ยังไงผมก็ยังรกรักเคารพในพระบิดาอย่างเก่าแต่ผมขอบวชเป็นฤาษีชีพไพรเถอะในชาตินี้เพราะผมตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วขอให้พวกน้องๆแรืท่านผู้อื่นทำลงทรงต่อไปเถอะผมขอบวชในเป็นฤาษีชีพไพรในชาตินี้จากนั้นท่านก็ไม่ยอมท่านก็ขออยู่ในป่าจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไง สืบสอบรู้แล้วก็คือนางเมียน้อยกันแกล้งลูกเมียหลวงผลในสุดพระเจ้าแผ่นดินก็เลยสำเร็จโทษในชาตินั้นน่แหละความจองร่างจองผ่านกิจติดต่อนอเนื่องมาจนถึงในครั้งพระพุทธเจ้ามาถึงครั้งพระพุทธการในครั้งนี้นี่น่ะนางจินจามนาวิกที่หาเรื่องใสปทุมกุ ม, มารในคราวนั้นมาเกิดเป็น นางกินจามนุวิกากันแกล้งพระพุทธเจ้าไปเข้ากับพวกดีและเดและ ถ, ถีพวกศาสนาอื่นพ อ, อกว่าศาสนาอื่นเขาบอกว่าเห็นไหมนางสมณะโคดมเด่นดังขนาดไหนเหมือนกระดวงอาทิตย์เปล่งแสงสว่างเราเดี๋ยวนี่เหมือนกับหิ่งห้อยอยู่ในดวงในตะวันพอกางวันขึ้นมาเลยหิ่งห้อยหมดสภาพเลย เพราะฉะนั้นขณะ น, นี้สมณโคโดมพุทธเจ้าเป็นผู้เปล่งรัศมีพี่น้องประชาชนทุกคนผลนรก เ, เขานับถือเลื่อมใสเราเหมือนกับหิงห้อย เ, อเธอรู้ไหมเธอจะจำกัดจะกำจัดอย่างไรสมณโคโดมานางคนนี้ก็มีอิจฉาเป็นพื้นฐานมาในอดีตชาติอยู่แล้วก็รับเลยอ้าวด้ฉันจะจัดการเอง ผลในสูตรก็หาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าหาว่าได้เป็นนอนที่กุฏิพระพุทธเจ้าจนมีท้องขึ้นมาแต่ที่แท้ท้องนะ่ะคือหาไม้มามัดใส่ท้องตัวเองฮะแล้วก็เป็นให้ท้องโตอผลในสูตรกับคนทั้งหลายพอถึงที่แล้วกันนะมายืนไปจันหน้าพระพุทธเจ้าพนะระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมในวันนั้นพุทธบริษัทก็คงจะเป็นวันเดือนเพลนคนเต็ม สาลานางก็ยืนจังก้าต่อหน้าพระพุทธเจ้านะส ม, มณโคดมท่านอยู่กับเราเนะี่จ น, เ ห, นเห็นไหมเราจนท้องโยแล้วท่านไม่เห็นสั่งการอะไรเลยน่าจะสั่งการนนอนาถามันตินางวิสาขาพระเจ้าปเสนสั่งที่คลอดลูกให้ข้าพระเจ้าเสีพระพุทธองค์บอกว่าจินจามนวิก เรื่องทั้งหลายเนะี่ยเรื่องเนี้ยไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าท่านกับเราเธอกับเราเนะี่ยก็ใช่เลยสินะเนี่ยเพราะมันเรื่องนี้จะไปให้ใครรู้ได้ยังไงมีถัตท่านกับฉันถ้าเองรู้กันนะเนี่ยพอว่าท่านนั้นนะพอเกิดร้อนถึงพระอินอยู่วนสวรรคนะ์เนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มีเทวดามาช่วยกับมังคงจิงพอสมควรอยู่ข่าวนั้นนะ เ, เทวดาก็เลยมากัดเชือก อ, อที่มัด ท่อนไม้อยู่ในท้องของนางหลุดลงมาโดยเสบสับพลันไม้ท่อนนั้นก็ทบทับหัวแม่เท้าของนาง อ, อีกพอคนทั้งหลายรู้เท่านั้นแหละเขาก็จับทั้งประชาันพอสมควรนางก็เลยออกมาจากพ้นหน้าวัดป่าเชตวันแผ่นดินก็สูบลงไปสู่อเวจีมหานรก นี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าทุกคนนิสัยของมนุษย์ชาติชอบนิสัยชอบอิจฉาอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นดีทนอยู่ไม่ได้นี่แหละเป็นนิสัยสรรพสักษ์ในโลกน่ากลัวสรุปแล้วเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าอย่ามาเกิดในโลกดีที่สุดถ้าอยู่ในโลกนี่แนหะ มันเรื่องอิจฉาความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเนี่ยมันอยู่ในโลกวัฏสงสารเนี่ยนะถ้าเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็พรอยินดีด้วยมุทิตามุทิตาพรอยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมันหายากโดยเมื่อโดยมากเมื่อเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ใจลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นในจิตใจ นั่นแหละแปลว่าคนคนนั้นถางทางทา ง, ทางหรือทําถนนไปสู่อเวจีมหานรกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนเมื่อได้ยินเสียงทำคําคสอนของพระพุทธศาสนาทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถึงยังไงเราจะอิจฉาอย่างไงเราก็ต้องพยายามหักห้ามจิตใจของเราให้ถือเสมือนว่าถ้าเราอิจฉาคนอื่น ถึงจะเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเรื่องอะไรก็ตามถึงจาเน็ตๆ น, น่อยๆก็ตามมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าใจของเราว่าขณะนี้ใจของเราอิจฉาเรื่องอะไรถ้าพอถึงอิจฉาขึ้นมาเราให้ฟังให้รู้เอ า, เอาไวเลยว่านี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความอิจฉาตัวนี้แหละแปลว่าตัวเองทาถนนทางทางทาถนน ไปสู่หน้าเหวหน้าผาไปสู่อเวจีมหานรกให้พวกเราคิดอย่างนั้นเอาไวนะ้น่ะในเมื่อเราคิดอย่างนั้นเอาไว้เรารู้แล้วว่าการอิจฉาพยาบาทการอาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นที่ในในทางที่ไม่ถูกต้องนนั้เป็นบาปอากุศลอย่างหนักในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อได้สาธกเรื่องนิจจารกเรื่อง นางจินจามนาวิกที่อิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้าแผนดินสูบในครั้งพุทธกาลเทวทัตท่านหนึ่งสุ ป, ปพุทธท่านหนึ่งจินจามนาวิกมีอยู่สี่ห้าท่านสรุปแล้วก็เรื่องนี่แหละทำความชั่วทั้งหมดอักกตังลุ ก, กตังเสยโยปัชชาตะปติทุ ก, กตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้ น, นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราทำกรรมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีจะให้ผล เ, เหมือนกับเราในภพนิจชาตินี่เราไปขายยาบ้ายา마าคัญชายาฟินป่นจี่คดโกงเออขอรับชงคอรับฉันอะไรก็ตาม ในเมื่อทำลงไปแล้วคิดว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองฉลาดแต่เมื่อกมชั่วเปิดเผยขึ้นมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นอย่าไปทำาชดีกว่านนในพวกเราทุกถูกฐานนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้นาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาให้แนะนาชี้แนะ ชี้นำให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอในทะสนีหนะ